ยินดีต้อนรับสู่รายการเปิดธรรมที่ตูกปิดภาพออนไลน์อาตมาพระไพบูลอภิปุโนจากวัดป่าอนสายศกก็จะมากับคุณหมอรัตพงศ์ครับกราบน้ำมศการและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมธันตแพทย์รัตพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับอืมวันนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอตอนที่หกสิบครับตอนที่หกสิบเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ทุกๆสัปดาห์อาจจะมาเร็วบ้างช้าบ้างนี่มันก็แล้วแต่เหตุปัจจัย อย่างไรก็ตามเราก็จะมาให้เป็นประจําทุกสัปดาห์แล้วผู้ฟังที่มีคําถามสงสัยอะไรอย่างน้อยเข้ามาดูเข้าม า, าหาข้อมูลอะไรก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองไปกันแหละทาไมเจออะไรสักอย่างใดก็คงจะเจอสักอย่างหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับาการปฏิบัติธรรมของท่านลหลายๆในตอนที่60ตอนนี้มรดโทงเราก็จะเอาคําถามเอาคำถามมาตอบกันก่อนดีกว่าว่า ท่านผู้ฟังมีคําถามอะไรบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากมีคําอคุณปณิธิต์ครับซึ่งเป็นแฟนประจํารายการของเรานะครับคุณปณิทิต์ก็ได้ถามมาว่าเกี่ยวกับธรรมะที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับก็คือในข้อแรกก็คือพระอาจารย์เนี่ยเคยแนะนําว่าใครทําอะไรให้เราไม่พอใจให้เดือดร้อนอก็ให้เราอดทนไว้ชนะครับก็คือขันติ ไม่ต้องไปทําอะไรเขาคืนใช่ก็คือท่านถามว่าอย่างนี้เราก็ไม่ควรไปร้องเรียนใครไม่ควรไปฟ้องร้องใครคือถ้ามีคนมาโกงเราก็ทําเฉยๆทาใจอมไม่ต้องฟ้องร้องเลยครับ อ, อย่างเงี้ยคุณหมอท่านพงว่าไงคือผมว่าวันนี้รู้สึกว่าอันนี้มันจะมันจะเกี่ยวข้องกับคำถามข้สอสเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันคําถามข้อสองของคุณปอนดีที่ถามว่าครับก็ ในในในข้อแรกบอกว่าหรือแท็กซี่โบกแท็กซี่และแท็กซี่ไ ม, มไม่ยอมไปคือไม่ยอมจอดก็ผิดกฎหมายเราก็ควรไม่ร้องเรียนหรือหรือครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือคําถามข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็เรื่องของการขับรถ<อ>ใช่ไหมครับที่บอกว่าถ้าถ้ารถติดแล้วก็คือรถติดยาวแล้วก็คุณบฏิทินเนี่ยเป็นทางขึ้นสะพานซึ่งโดยธรรมชาติก็คอสะพานเนี่ยจะแคบแคบกว่าทางกว้างใช่ไหมครับ คุณปนิทก็เข้าคิวต่อไปเรื่อยๆแต่มีรถจากเลนอื่นซึ่งวิ่งในทางที่ไม่ติดมาแล้วก็ <ปะ S 1> ม า, าเบียนเข้าตรงตรงขอสะพานตอนนี้มีมีสับใหม่เขาเรียกป่านหน้าเคก้กมาอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงดีเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเอาเปรียบอย่างเงี้ยครับอล้วก็หมอและฟงคิดว่าควรจะทำยังไงถ้าอย่างในในกรณีแรกข้อหนึ่งเนี่ย เป็นเป็นผมเนี่ยผมจะแยกคิดว่าในการการโต้ตอบทางโลกเนี่ยอย่างเช่นคนมาโกงเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําหน้าที่ในทางโลกก็คือว่าต้องอติดตามไทยถามแล้วก็ถ้าเขาไม่ยอมเราก็จะต้องมีการฟ้องร้องทางแพ่งอย่างเงี้ยครับนัคือดําเนินการทางโลกแต่ถา้าในทางทำการดําเนินการอย่างเงี้ยเราก็ทําเราคิดว่าเราทําหน้าที่ให้ถูกต้องแต่ว่า ไม่ไม่เครียดแค้นไม่อ่าผูกใจเจ็บว่าอืมแบบชาตินี้คนนี้เราจะเอาให้แบบอย่างนี้ครับคือเป็นแยกใจเป็นสองกรณีนะครับไม่ทราบจะถูกต้องทางธรรมไหมครับแล้วหมอณั้พลคิดว่าพระพุทธเจ้าจะทํำยังไง พ, พระพุทธเจ้าอืมคือถ้าสมมติพระพุทธเจ้าเจอเหตุก า, ารณ์อย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะทํำยังไงท่านคิดว่าท่านคงต้อง คณะอับนันคงต้องหาวิธีสั่งสอนแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าคือถ้าสมาชมาบอกว่าอดทนไว้คือเราไม่ต้องทำอะไรเขาเลยนะนคำตอบนี้ก็จะไม่ถูกใจคนที่มีความอาคติแกนเข้าใจไหมคอหือถึว<ช>่าถ้าเราบอกว่า<ช><ๆ>เฮ้ยเธอไม่ต้องทำอะไรหรอกอดทนเขาเะ ไม่ได้ฉันจะต้องทําอะไรมันสักอย่างนึงต้องโทรไปด่าแม่มันต้องโทรไปอะไรมันโทรไปร้องเรียนอย่างน้อยต้องชี้นิ้วกลางให้มันหรือยังต้องทําอะไรสักอย่างคือจะไม่ถูกใจคนที่เขามีความเครียดแค้นอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีว่าคนที่ฟังเนี่ยมีความเครียดแค้นใช่ไหมเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาถ้าเราก็จะต้องพูดว่าต้องด่าม iate, ันสิต้องทำอํำนี้เราก็จะเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเราก็จะทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมถูกปะ ใ, กใช่ครับเพราะในกรณีเนี้ยพระพุทธเจ้าก็จะให้นิ่งเสีย ให้นิ่งเสีย hmm. คือถ้าเราด่าเขาเนี่ยมันก็ยิ่งหนักใช่ไหมคือมันพิรุธว่าเราก็จะเป็นคนไม่ดีสมมติถ้าเราตรง <c oughs> ในสถานการณ์นั้นนะนะแล้วถ้า <c oughs> เราไปอชื่นชมเขาคูอ่อย่างนี้มันคนละเรื่องเราชมคนที่ไม่ใช่ควรที่จะต้องมาชมเพราะฉะ้น <c oughs> ถ้าเรานิ่งอยู่เราก็นิ่งอยู่ด้วยความที่ไม่ใช่มีเมตตาเรานิ่งอยู่ด้วยความอุเบกขานิ่งอยู่ด้วยความที่อดทน <c oughs> เพราะฉะนั้นที่อย่างที่หมอรัตพงศ์บอกอะว่างั้นเราต้องแบ่งเป็น ระดับดีกรีใช่ไหมถ้ามันหนักมากมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองหรือเกี่ยวข้องกับคดีแพ่งอะไรอย่างนี้เราอาจจะต้องฟ้องร้องได้แต่ถ้ามันเรื่องเล็กๆลน้อยนเช่นเรื่องขับรถปาดหน้าเรื่องอะไรเรื่เราให้อภัยมันก็ได้ถามว่าการแบ่งดีกรีตรงเนี้ยอยู่ที่จิตของใครด้วยไงสมมุติคนที่เขามีเมตตามากไอ้ตรงจุดแบ่งตัวเนี้ยเขาก็จะต่ํามากเข้าใจไหมหมายความว่าหมายความว่าเรื่องเล็กเล็กน้อยนคือเรื่องทุกเรื่องเขาก็จะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยหมดแต่ถ้าคนมีความเมตตาน้อย นะมีความคิดแค้นมากไอ้จุดแบ่งตรงนี้เขาก็จะสูงมากสูงมากนี่หมายความว่าเรื่องเล็กๆลน้อยน้อยอะไรแม่ก็จะด่าหมดว่าหมดฟ้องหมดแทงหมดที่หมดนะเพราะว่าจุดแบ่งตรงนี้มันมันเลื่อนไปตามระดับสภาวะจิตของเราเอาเอาย่กตัวอย่างง่ายง่ายอย่างวันนี้ถ้าตื่นเช้ามานะเราอารมณ์ดีมากเลยพ่อแม่ก็พูดดีมีอาหารทำอร่อยอร่อให้กินอาหารอย่างที่ชอบทุกคนมีอารมณ์ดีหมดปรากฏออกมาบ้านรถติดรถติดก็มีคนมาปาดหน้า อารมณ์เราจะไม่เหมือนกับเหตุการณ์ที่สองคืออย่าสมมติว่าถ้าเราตื่นเช้ามาไอ้ น, นี่ก็ด่ากันที่บ้านว่ากันที่บ้านรถก็สตาร์ทไม่ติดเพิ่งมาติอีกทีก็มือเปื่อนไปหมดแล้วขับลถมายังรถติดรถปาดหน้าอีกไอการที่ถูกรถปาดหน้าในสองกรณีเนี่ยจิตเราจะไม่เหมือนกันเราจะมีการตอบซองไม่เหมือนกันนะถูกไมหมหมอพระพรหมวันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันไม่ด่าเธอก็ได้ถ้าถูกรถปาดหน้าแต่วันนี้ฉันอารมณ์เสียถึงไม่ถูกรถปาดหน้าแค่รถติดฉันก็จะด่าทุกคน ที่มันขวางทางเราไปปาดหน้าเขาอีกอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมทํำไมจิตเราเป็นงนั้นอ่ะทำไมจิตเราถึงถึงแบบว่าแหมมันเป็นมาตรฐานตามวันเวลาที่ ค, คนอื่นม า, อามเออมากระทบก่อนหน้านี้เหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือคําตอบตรงนี้ผู้ชิชาก็จะตอบเป็นมาตรฐานเลยว่าคือเราเราถ้าจะถ้าจะมาจะบอกว่าอดทนไว้เนี่ยก็จะไม่ถูกใจคนฟั่งที่มีความอากาศถ้าเราตอบว่าต้องด่าเขาอันนี้ก็ผิดหลักธรรม ที่เราต้องตอบอย่างนี้ว่าชีวิตคนเราเหมือนระรงเลยอย่างสมมติท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ในระหว่างระพงด้วยเนี่ยะเอาว่าตั้งแต่คุณเรียนจบมาตั้งแต่คุณเรียนจบมาจนถึงบัตรนี้เนี่ยบางคนอาจจะสิปีบางคนอาจจะแค่หปีบางคนอาจจะยี่สบสาสิปีมาแล้วเหกนไหมตั้งแต่เรียนจบมาอายุยี่สิบสแปดยี่ิบเนี่ยนะเรียนจบมาแล้วจนถึงบัตรนี้คุณลองคิดดูนะว่าไอ้ยี่สิบสาสิปีหรือสิปีที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันมันเร็วหรือมันช้า คืออ่าสมมติว่าคนอายุสามคนอายุอ่าสี่สิบฟังรายการนี้อยู่ใช่ไหมคุณเรียนจบมายี่สิบปีละยี่สิบปีนี่ไม่นานนะหมอครับผมเห็นไหมตั้งแต่คุณเรียนจบมาจนถึงมาจุดปัจจุบันเอาอายุชีวิตถูกคุณอายุห้สิบคุณอายุห้าสิบคุณฟังรายการนี้อยู่เราจบมานี่ก็สาสิบปีนะสามสิบปีฉันผ่านมาตรงนี้เอาต้องพูดถึงคนที่อายุห้สิบนะคนที่อายุสีสบอย่าไปคิดเรื่องนี้อว่าห้าสิบนี่มันก็ไม่ค่อยนาน เอาตอนที่คนอายุหกสิบคุณไปถามคนอายุหกสิบว่าเอ๊คุณใช้ชีวิตไปถึงจนถึงป่านนี้ตั้งแต่คิดตั้งแต่ตามที่เราเรียนจบมาเนี่ ย, ยมันก็ไม่ค่อยนานนะคือเขาเราจะมองเห็นว่ามันจะไม่ค่อยนานถ้ามันพร้อมผ่านมาแล้วมึดนืดออกไหมเอาไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงอนาคตหรอกเราเอาตัวเราเอง<ถ>เอาแคว่าคุณอายุส<ถ>ี่สิบหรือห้าสิบคุณมองเวลาที่คุณผ่านมาเรียนจบมายี่สสาสิบปีเนี่ยมันรวดเร็วมาก เรวอเร็วมากคือมันผ่านไปแล้วใช่มันผ่านไปแล้วเราจึงมาอะไรว้ว่าธรรมะจะบอกให้ชีวิตคนเราอยู่ไม่นานร้อยปีเนี่ยไม่นานนะครั้อยปีเนี่ยไม่นานเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่คุณเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยปีอาจจะยี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีเราพยากรณ์ไม่ได้นะถึงแม้จะพยากรณ์ได้ก็เอาพยากรณ์ให้เลยไม่เกินร้อยปีจากนี้ไปใช่ไหมแต่ต่อให้คุณมีร้อยปีเป๊ะๆเลยซึ่งมันไม่ถึงหรอกอ่ะคุณมีร้อยปี ไม่นานมาเรืองห่วงร้อยปีนี้ไม่นานเราดูประวัติศาสตร์ร้อยปีประเทศไทยกรุงเทพมหานครเกินร้อยปีแล้วไม่นานนะสองร้อยกว่าปีอ่ามันไม่นานนะเพราะฉะนั้นถามว่า ช, ชีวิตเวลาที่คุณเหลืออยู่คุณจะทําอะไรคุณจะอยู่ยังไงคุณจะทําความดีตรงไหนเพื่อที่จะทําให้เวลาสุดท้ายในชีวิตของเราแล้วเนี่ยเยฉันจะมีความสบายใจไว้ว่าชีวิตนี้ฉันก็ยังน้อยก็ยังทําความดีนะจ๊ะความดีนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวด่าชาวบ้านความดีนี่ไม่ใช่เที่ยวว่าไปฟ้องร้องหา justice คือความยุติธรรมความยุติธรรมความดีนี่ไม่เหมือนกันนะความยีทําทางโลกเนี่ยยังไงมันก็เป็นเรื่องของการที่ต้องมันก็ต้องเป็นตามระบบของทางโลกไม่งั้นเขาจะออกกฎหมายมาทําไมนี่เหรอไหมก็เป็นเรื่องของนักกฎหมายที่ว่าจะทำยังไงให้มีความยุติธรรมในสังคมเอ่ยางไรก็ตามความยุติธรรมเนี่ยมีแน่นอนคือเรื่องของกรรมและคนของกรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหลืออยู่มรดกของเราจะทําอะไรที่เป็นความดีให้ชีวิตเราเป็นสุขขึ้นมา เพระจังไหมไอเรื่องเล็กน้อยเรื่องขี้ปฏติ๋วเนี่ยอย่าให้มันมากวนจิตเราเราควรสร้างความดีเพราะฉะนั้นต่อไปเลยนะสําหรับปัญหาที่ว่ามีคนมาโฉบเฉียวหน้าเราวิ่งตัดหน้าตีสปานเอ้ยอดทนไว้เถอะเราก็อย่าไปสนใจมันมากไม่เป็นไรให้ใช้คํานี้ได้ไหมครับช่างหัวมันเออช่างหัวมันแล้วก็อย่าไปสนใจมันมากก็ปล่อยๆเข้าไปไม่เป็นไรเอาต่อมาส่วนเรื่องแท็กซี่ไม่ยอมไป ควรจะร้องเรียนหรือไม่ก็หลักพุทธเจ้าก็คือว่าพูดข้อไม่ดีของคนอื่นเราก็ไม่ต้องพูดแต่ ถ, ถูกถามเราก็พูดนิดเดียวอย่างะเพราะฉะนั้นถ้าเดือดร้องฟ้องศาลไหมคนจีนนี่เขาเคยมีข้อมูลบอกไว้ถ้าต้องให้ไปฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลนี่หลีกเลี่ยงเลยคุณอย่าให้อย่า ใ, ให้มีเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะไปฟ้องคนอื่นก่อนนี่ไม่ต้องเลยมีแต่ปัญหามันมันไม่จบง่ายๆมันเรียว่ายาว แต่กรณีถูกฟ้องนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับฟอเราก็พยายามจะหาวิธีไม่ให้มันไปยืดยาวนะก็พยายามจบจ บ, จบมาอาจจะจ่ายเงินค่าปรับหรืออะไรทําไงให้มันจบจบไปให้เร็วที่สุดอะเรื่องการที่ต้องไป<ม>สู้คดีความในศาล น, นะครับ<ม>คื อ, อยังไงคนไ ม, คไม่ดีเนี่ยเขาก็จะต้องถูกลงโทษตามระบบของกรรมอยู่แล้วนะมารุพงศ์เราอย่าเอารกรรมของเขากรรมชั่วของเขาเนะี่ยมาเป็นกรรมชั่วของเรา อันนี้แต่มาพูดหลายรอบมากเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุติสามีทําชั่วนอกใจภรรยาคิดว่าเอ้ยกูไปนอกใจบ้างดีกว่าเว้ยมันไม่ได้นะคุณเอาความชั่วของเขามาอยู่ในความชั่วของเรามาเป็นความชั่วของเรามาเป็นเหตุให้เราทําชั่วอย่างนี้เหรเอาความที่เขาทําชั่วช่วมาเหตุให้ทําให้เราจิตมีความปัญญาบาดอย่างนั้นเหรอเอาความที่เขาทําชั่วมามีเป็นเหตุให้เราต้องมีมิจฉาวาจาเหรอคุณอย่าทําอย่างนั้นอย่าเอาความชั่วของคนอื่นมาเป็นเหตุให้เราต้องทําความชั่ว เราควรจะเอาความดีล้างความชั่วเข้าใจไหมครับคุณจะเอาชนะความเออเอาชนะความโกรธได้ด้วยความไม่โกรธด้วยความมีเมตตาคุณจะเอาชนะความพยาบาทได้ด้วยความมีจิต e n d ก kuekul คุณจะเอาชนะความโกรธเกลียดเครียดแค้นด้วยความรักเข้าใจไหมครับอ่าเข้าใจครับควรจะเอาชนะความตระหนี่เหนียวแน่นยึดถือด้วยการให้ด้ยจ่าครับอ่าด้วยการให้เราทําจิตอย่างนี้เราจะสบายเราทําจิตให้ เป็นแบบมหากระตักคือให้เป็นจิตกว้างจิตกว้างถนนมันก็มีแค่นี้แหละหมองเอ้ยมันก็เื้อเฟื้อเกือคุณกันไปแบ่งกันใช้นึกออกหถ้ามันคือตัดแน่นห น, นมากเราก็หาทางทำอือ่นๆเช่นขับมอเตอร์ไซค์บ้างหรือว่าโดยสารรถขนส่งมวลชนบ้างอะไรอย่างี้นะทางแก้ทางอื่นยังไงที่จะไม่ให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่อยู่ในอกุศลธรรม อ, อแล้วก็เราต้องเอาความดีล้างความชั่วต้องพูดอีกรอบหนึ่งเอาความไม่ดีเนี่ยออกไปจากจิตของเราให้ได้ย้ายมันมามีค้างตึนอยู่ในจิตแล้วก็ถ้าใครทําอะไรไม่ถูกต้องใครทําอะไรที่มากระทบกระเทือนเราเราอย่าเปอย่าไปโง่ให้เป็นเป็นผักเป็นปลาให้เขามาโขกมาสับเราต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้จากปัญหาแล้วก็อย่าให้มันมีปัญหากับชีวิตของเราเช่นว่าถ้าเขามาเบียดเบียนเราอย่างงี้คุณต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้ นึบเนื้อไหมโดยที่โดยที่ฉันจะต้องอยู่ในมัดนะพุทธเจ้าทำมาแล้วหลายครั้งหลายหลายรอบโดยช่วงยิ่งในกรณีที่พระทิวาทัศน์มาปู้ยี่ปู้ยำมาทําไม่ดีไม่ร้ายม า, าแกล้องอะไรต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าก็พยายามหาตัวรอดเอาทางเอาตัวรอดโดยที่ให้ตัวเองอยู่ในมัดให้ได้นะโดยที่ไม่ทําความชั่วนะอดทนบ้างใช้วิธีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบ้างเราจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตเราจะต้องมีกําลังนะ จิตเราต้องมีกำกันเราต้องมีจิตที่มีพลังอยู่ตลอดเวลาตอนเช้าคุณนั่งสมาธิไหมขอสองนาที5นาทีตอนเย็นก่อนนอนคุณทำไหมสองนาที5นาทีระหว่างทางคุณอยู่ออฟฟิศเดินขึ้นบันไดเดินลงบันไดอย่างเงี้ยคุณเข้าประตูอย่างเงี้ยคุณมีจิตพิจารณาปฏิสังขายโยไหมอะไรต่างๆเงี้ยครับมันมันเป็นเขาเรียกว่าชั่วโมงบินทั้งหมดที่เราจะเก็บสะสมได้แล้วทําให้จิตของเราดีขึ้นสูงขึ้นเจอปัญหาพวกนี้นี่ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยนะ จริงครับครับโอ้สาธุเลยครับเพราะว่าคงส่วนตัวก็ต้องเอาไปใช้เหมือนกันครับเพราะบางทีเพราะว่าถ้าเราถ้าเรามาดูสเกลนะสเกลของความที่เราจะอะด่าว้าเนี่ยคือคนที่มีรีพื้นฐานของจิตไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นไปตามลําดับทีนี้คนที่ไม่มีกิเลสเลยตรงนี้ก็ไม่มีเลยครับอ ช, ช่ไห ม, อ, มอย่างกรณี ง, ง่ายๆอย่มาละทงอย่างเช่นคนไปทำหน้าที่ใดสักหน้าที่เนี่ง สมมุติว่าคุณเป็นหน้าที่เลขาย่างี้เฮ้ยแต่คุณไม่มีความรู้ในเรื่องของความเป็นเลขาเอาสมมติเราเอาเด็ก4ี่ขวบ<ม>เด็ก5้าขวบมาทาหน้าที่เลขาเอาเด็กห้าขวบยังไม่มีความรู้ในการทาหน้าที่เลขานะหมอรัตพงศ์จะไปสั่งให้พิมพ์ดีดให้ส่งอีเมลให้พิมพ์จดหมายให้ไปซีร์หรอโหเดินเครื่องคอมพิวเตอร์ยังเอื้อมไม่ถึงเลยเด็กห้ขวบใช่ปะนี่จะทำงไงกับเขาคนนี้ดีอ่ะเขาไม่มีความรู้ในการทาหน้าที่เลขาเด็กหาขวบเราจะทําไงหมอรัตพงศ์ อืมต้องไปช่วยทํำแล้วก็ไปสอนเขาบ้างไปอะไรวะเราจะไปสั่งให้เธอทานี้ทําไมเธอไม่ทําไปตีไปด่าไปว่าอุ้ยเราเรามันไม่ใช่ผู้ใหญ่เราทําไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าสภาวิจิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันคือร่างกายคุณอาจจะโตขึ้นมาแล้วก็จริงอยู่แต่ว่าจิตคุณอาจจะเป็นเด็กห้าครูปอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วมันไม่แน่เพราะฉะนั้นวิธีที่คนที่เขาทําชั่วทําไม่ดีทําอยากทําหน้าตัวหน้ารังเกียจ เราให้มองว่าจิตเขาเป็นจิตเด็กอยู่เป็นจิตที่แบคบคนงานความดีของเขายังเป็นเด็กๆอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรถ้าเขารู้เรื่องอะไรเขาคงไม่ทําความชั่วหรอกคนดีๆนะเขาอยากทําความดีเท่านั้นคนดีๆเนี่ยทำความดีง่ายแต่คนชั่วเ น, นี่ยนะความดีมันมีน้อยใช่ไหม ค, ค, ความดีที่มีน้อยของเขาเหมือนเด็กๆเนี่ยจะให้เขาไปทํางานที่มันยากทำความดีที่ยี่ยขึ้นไปเนี่ยเขาทําไม่ได้เขามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราเห็น ค, ค, คนที่ชั่วเนี่ยมีความชั่วมากมีความดีน้อยเนี่ย มีความดีน้อยเหมือนเด็กๆเนี่ยเราจะมีแต่เมตตานะมรรพบเราจะมีแต่เมตตากับเด็กน้อยเออยังไงเราจะสอนเขาให้รู้เรื่องขึ้นมาได้ยังไงเขาจะโตถึงเวลาเขาสามารถทําเวลานี้ได้เ อ, า, อางนี้แล้วกันยังเด็กอยู่ฉันสอนเธอสอนจนถึงจุดที่เรียกว่าเมื่อมไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็อ่ะงั้นเดี๋ยวเธอไม่ต้องทําแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นมาทําให้คนอื่นมาทำํำก็จะไหมเช่น mm hmm. เดียวกันกับคนที่ mm hmm. ไม่ดีหรือว่าคนที่ใกล้ตัวแล้วเราบอกสอนเนยพยายามบอกสอนถึงจุดที่เรียกว่าเราเาเราบอกสอนไม่ได้แล้วก็ ก็ผ่านแล้วกันนะให้คนอื่นมาทำหน้ า, นาที่แทนหรือเราไม่ไปยุ่งกับเขาซึ่งก็กรณีของ ค, อคือการที่ไม่ยุ่งกับคนผ่านอาเซวนาจะกภารณังอย่างเงี้ยการไม่สนทนากับด้วยคนผ่านเป็ตนต้นนะคือคนผ่านเนี่ยก็คือเรามองว่าคนผ่านเนี่ยมีจิตเหมือนเด็กน้อยที่ยังไม่รู้อะไรนะเจออะไรก็ร้องไห้เจออะไรก็ตะโกนเจออะไรก็ด่าว่าไม่พอใจอย่างเงี้ยเนื่องจากความดีของเขายัาง <c oughs> ยเป็นเด็กๆอยู่เรามองมุมนี้แล้ ว, <c oughs> ลวเราจะสบายใจได้ <c oughs> เราจะเกิดความเมตตาต่อการกระทําของเอ า, าใช่ไหมครับไม่ถ้าไม่เมตตาเราก็จะมีอุเบกขาในกับความที่เขาเป็นเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราก็จะมีความสบายใจด้วยข้อนี้เป็นเหตุหลักอืมเนาะใช่ครับอืมจิตเราจะไม่เกิดอกุศล น, นะครับใช่เพราะฉะนั้นคิดว่าคําถามของคุณปณิทิที่เกี่ยวข้องกับว่าคำคำคุณอื่นมาทําให้เราไม่พอใจในการดำเนินชีวิตของคนเราก็ต้องทําอย่างเดิมนั่นแหละ ทีนี้บางทีมันไม่ใช่ว่าทําได้หมดใช่ไหมเอาเท่าที่ทําได้เอาเท่าที่ทําได้ทําทททตรงไหนได้ก็ทําตรงนั้นเราฝึกอยู่เรื่อยๆฝึกให้จิตเรามีสติในลมหายใจฝึกให้มีการแผ่เมตตาเช้าเย็นตอนเช้าเราทํห้านาที10นาทีตอนกลางวันเราก็ไม่เว้นชา้ากลางวันเย็นเราทำหมดนิดๆหน่อยๆนะฝนตกกี่ลเมตรเรื่อยๆทําอยู่บ่อยๆ2นาทีเอา30มวินาทีก็เอา20วินาทีก็เอา1นาทีเอานะทำให้ได้คือทําบ่อยๆเงี้ย แล้วมันจะเป็นนิสัยปัจจัยมรดโทงพอถึงเวลาปุ๊บเราวางภาพได้นะมันจะค่อยๆดีขึ้นกันเรื่อยเื่อเรียกว่าเอามาใช้ได้ทันทีใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องชีวิตประจําวันเลยนะอย่างเช่นว่าคุณเดินขึ้นบันไดอยู่เงี้ยเฮ้ยมันไม่มีใครมาขวางเราเนี่ยเนาะเอองั้นเราขอดูลมหายใจไปด้วยอดูลมหายใจไปด้วยคือบางคนอย่างเงี้ยออฟฟิศอยู่สองสาชั้นใช่ไหมคุณคิดว่าจะขึ้นลิฟต์มันก็เปลืองพลังงานแล้วฉันเดินดีกว่าออกกาลังกายด้วย เดีวคุณเดินด้วยออกําลังกายด้วยคุณก็ดูลมหายใจไปด้วยคิดว่าคําถามมีมีประเด็นเพิ่มเติมอีกไหมคุณหมอรัชพเกี่ยวกับคาถามของคุณนนา่าจะครบถ้วนครับผมว่ามันเป็นชีวิตปุถุชนเนี่ยทั้งเจอเจอตลอดนะครับไอกรณีพวกนี้เนี่ยเจอตลอดเข้าใจว่าของพระพระก็คงเจอนะครับพล้วเราก็เอาตัวเ n อย่างสมมติพระใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะทําอะไรถูกหมดนะทําได้ผิดผิดถูกๆ ปั๊มเปาเปเฟ้อฟ้าอะไรอย่เงี้ยมีหมดนะครับทำเสียงดังโค้งเค้งเออแล้วถ้าเราจะไปด่าว่าเฮ้ยทำไมทํางี้วะไม่มีใครซ้อนอ่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้นะเราก็จะค่อยๆบอกเขาใช่ไหมเราก็มีเมตตาไปคือถ้าฝึกในลักษณะอย่างนั้นมันก็จะฝึกฝึกเหมือนกับฝึกด้วยวิธีรุนแรงใช่ไหมคือวิธีรุนแรงก็จะไม่ใช่ฝึกอย่างนั้นด้วยซ้ำวิธีรุนแรงก็คือแค่บอกโทษไม่ดีว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้น อนี้นะครับซึ่งก็จะไม่ใช่การด่าว่ารุนแรงด้วยซ้าเพราะฉะนั้นก็ก็จะไม่ใช่อยู่ในมาร์ล่ะอืใช่ครับคื อ, คอคือด้วยวาจาที่อสุภาพแน่นอนนะอันนี้เป็นพุทธวจนะที่พูดถึงการบอกสอนให้มีวาจาสุภาพแล้วก็อพูดแล้วเขาจะกัดเคืองหรือไม่ตรงนี้เราก็จะคอยต้องหาการเวลาที่เหมาะสมอสมมติว่าถ้ารเราไปพูดในจังหวะตอนที่เขาทําผิด เจ้าบอกตอนที่รถปาดหน้าอย่างเงี้ยบอกว่าเอาเธอปล่อยวางนะหัวคนกาลังไฟลุกโคลงอยู่จะไปบอกว่าปล่อยวางมันทําไม่ได้หรอกมารล้วผมยิ่งไปพูดอย่างงั้นยิ่งจะเหมือนเชื้อไฟในสมมติคน mm hmm. ดูทีวีแล้วปกฏเ้าด่ากันออกทีวีอย่างเงี้พยพ่อดูทีวีอยู่เขาดา่าออกทีวีพ่อก็บนก็กด่าทีวีด้วยใช่ไหมเมียนั่งอยู่ข้างบอกอคุณไม่ต้องไปกดเขาหรอกทําใจให้สบายนะปล่อยวางเถอะก็ทะเลาะกันเท่านั้นเองมารล้วผม เพราะอะไรเพราะว่ามันมันไม่ใช่เวลาที่จะไปบอกไปกำลังลุกโครงโครมอยู่เราเราไปพูดตรงนั้นไม่ได้ครับก็ต้องหาจังหวะพูดจังหวะครับเหมือนคนอย่างเช่นผู้ชายสองคนทําท่าจะทะเลาะกันแล้วแล้วเราไปบอกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะซัดกันเลยนะครับไอคํามันใจเย็นนี่มักจะใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับอแล้วก็ก็จะกรณีนี้เราก็หาการรที่เหมาะสม ในการที่จะบอกบุคคลผู้นั้นมันไม่มีอะไรเสียหายมากเร า, มาหรมดเลยชีวิตเราก็ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมตอนนี้เราทรําจิตให้เราสบายถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ค่อยๆมาคุยกันอย่างเงี้ยนะพอพูดคุยกันแล้วอะไรที่มันพอลงกันได้เราก็เอาจุดนั้นอะไรที่ยังกัดแยงกันอยู่เราก็ข้ามไปพูดในเวลาอื่นทําช่วงที่เราสบายๆเนี่ยทําจิตของเราให้มีสติอยู่เรื่อยๆนะพอถึงจังหวะที่มันมีเรื่องมากระทบเนี่ยเราจะค่อยสบายใจอยู่ได้อย่างเงี้ยนะ ครับครับก็ในประเด็นของคุณปณิทิตก็น่าจะครบถ้วนนะครับนี่ําถามต่อไปครับเป็นคำถามของคุณนิภารัตนะครับนิารัตโอเคเป็นเรื่องของเอ่อคือท่านถามว่าการบริหารจิตตามหลักสติปัฏฐานสี่อืมก็ขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดด้วยนะครับโอ้อ น, นีก็เยอะมากกันนะกัน บริหารจิตตามหลักสติปัฏฐาน4นะครับก็ที่คุณนิพพานต์บอกว่าอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ระบุมาชัดเจนนิดนึงว่าตรงที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันคือตรงไหนที่แน่ๆนะที่ไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามในวันนี้ก็จะพออธิบายโดยทั่วๆไปให้ฟังก็จะอธิบายหลักทั่วๆไปของการบริหารจิตด้วยหลักสติปัฏฐานให้ฟังเอาคอนเซปต์ง่ายๆหมอละโถงคำว่าสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้ ความระลึกได้เนี่ยหมายความว่าคุณนึกถึงแสดงว่าที่พระเจ้าพูดถึงปัฏฐานเนี่ยปัฏฐานคือฐานที่ตั้งใช่ไหมก็คือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงมีอยู่สี่อย่างฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงระลึกถึงจากอะไรระลึกถึงจากการที่จิตของเราไปมีความชั่วสมมติจิตเราจะไปคิดชั่วคิดบ้าคิดบอใช่ไหมเราต้องมีฐานที่ตั้งในการระลึกถึงเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตของเราไปบ้าบอเปล่าใช้อะไรดีกายก็ได้ครับ ใช้อะไรได้อีกเวทนาก็ได้เวทนาใช่อะไรได้อีกจิตทําได้หมดให้เป็นฐานที่ตั้งของการระลึกถึงเวลาไหนตอนหลอดเวลาทําไปทําไมเพราะว่าเราไม่ต้องการให้จิตเนี่ยไปมีไปโม่โม่ซั่วซ่บ้าบ้าบ่าเพราะอะไรซับไซจิตเนี่ยมันจะไปรู้หมดทุกอย่างนะซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างมันรู้ได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งในโลกเนี่ยมันมีอยู่2โดเมนไงโดเมนที่ชั่วกับโดเมนที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเผอิญจิตมันเป็นฝกในโดเมนที่ชั่วซวยเลย กัไหมลัม้นเาจะทำไงงั้นให้เรามีฐานที่ตั้งของการระลึกถึงระลึกถึงในดโดเมนดีๆก็พอในโดเมนสิ่งที่ดีๆนี่เหรอปะระเาจึงให้วิธีการระลึกถึงอยู่ฐานที่ตั้งการระลึกถึงอยู่สี่ที่ทำเวลาไหนได้บ้างนอนก็ยังได้ตื่นก็ได้ขึ้นรถเมล์ก็ได้ทำงานอยู่ก็ได้กินข้าวอยู่ก็ได้นะเพื่อให้เรารมาระลึกถึงสิ่งที่ดีๆอย่าไปคิดบ้าๆบอๆทีนี้มันจะมีจุดประเด็นตรงนี้ว่า ที่พุทเจาเคยพูดถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคือใช้รธรรมะหมวดต่างๆเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงธรรมะหมวดต่างเป็นฐานที่การในการระลึกถึงตรงนี้ก็ได้พูดหมดเลยตั้งแต่นิวนรห้าอริยสัจสโพชฌงเจ็มรร 4, ม, 7, มีองแปดปละห้าอะไรต่างแล้วจะเห็นว่ายัง<ร>มีนิวนรห้าอยู่นะซึ<ร>่งนิวรห้าตรงเนี้ยอ่าเป็นเป็นอาการทางจิตซึ่งบางทีจิตเราไปคิดาบ้าๆบอๆไม่ดีก็มีนี่มากทีนี้ว่า จะเห็นได้ว่าผู้ที่เจ้าเนี่ยเล็ทเว้นเรื่องกายกับเรื่องวาจาไปเลยแสดงว่า<ม>การฆ่าการด่านพวกเนี้ยคือการทําบาปด้วยกายกับด้วยวาจาเนี่ยไม่ควรทําแน่นอนนะเป็นระดับของศีลทีนี้จิตเนี่ยบางทีมันยังทําไม่ได้ยังมีจิตฟุ้งซ่านอยู่บ้างจิตอะไรอยู่บ้างซึ่งตรงนี้ถ้าเรามารู้ว่าตรงนี้เป็นปัญหาเราก็รู้แล้วก็เพื่อที่จะปล่อยวางถึงไหมรู้ดีก็ปล่อยวางรู้ชั่วก็ปล่อยวางไม่ใช่ว่ารู้ดีก็จะเอามากๆรู้ชั่วก็ ทุกว่าทําไมฉันมีช่วยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะแต่รู้เพื่อที่จะให้ทําจิตให้ไม่มีที่ติไม่มีตันหาใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้พระเจ้าจึงมีเรื่องของนิบอณในการที่จะมาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้เข้าใจนะซึ่งซึ่งบางคนอาจจะคือจบางคนจะมีข้อคําถามต่อนะที่บอกว่าฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงคือระลึกถึงสิ่งที่ดีๆตรงเนี้ยก็เป็นแง่มุมของอ่า นิวรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ก็ใช้เป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงได้ใช่เพราะว่าระลึกถึงเพื่อที่จะล ะ, ะเช่นเดียวกับความดีระลึกถึงก็เพื่อที่จะละให้ได้ครับครับอย่างนี้แต่นี้ว่ า, า, วาถ้าคนปากชั่วกับกายชั่วเนี่ยมันจะไม่ได้ศีลต้องดีอยู่ศีลต้องดีอยู่นะครับลักษณะนี้ทีนี้มันก็จะง่ายมากเลยถ้าเราเข้าใจแค่ว่า เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกมีฐานที่ตั้งอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนั่นน่ะคิดว่าจิตนั้นมีการบริหารอยู่ตลอดเวลานั่นคือการทำการออกกําลังกายเนี่ยนะคือการสมมุติคุณต้องการลดน้ำหนักคุณก็ควบคุมอาหารด้วยคุณก็ออกกําลังกายด้วยออกกาลังกายใช่เช่นเดียวกันคุณจะทําจิตให้มีกําลังขึ้นมาเนี่ยทางร่างกายเราก็ออกกําลังกายใช่ไหมทางจิตคุณก็ต้องบริหารจิตนกาบริหารจิตในที่นี้คืออะไรคือการทําจิตให้สงบก็ได้ทําจิตให้ ปล่อยวางก็ได้การที่เราปล่อยวางสิ่งอื่นแล้วมาระลึกถึงอยู่ในฐานที่ตั้งให้การระลึกถึงเนี่ยจิตนั่นแหละออกกาลังละ่ะก oh. ็ใช่ไหมปล่อยวางสิ่งอื่นให้มาระลึกถึงอยู่ในฐานที่ตั้งให้การระลึกถึงอย่างสมมติเราคนกับรบัตรหน้าเราเนี่ยรเราแทนที่จะคิดถึงพ่อมันแล้วก็ด่าพ่อมันด้วยใช่ไหมเราก็ <laughs> ปล่อยวางซะแล้วมาคิดถึงามหายใจของเรารใช่ไหมตรงนี้คือบริหารจิตล่ะจริงครับ เราก็คือชื่ว่าบริหารจิตรัดับหนึ่งที่นี้บางทีมันหนักมากเราเรารับไม่ไหวแล้ก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าด่าว่าเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็จะปิดซีนด้วยนะทีนี้เราจะทําตรงนั้นได้เราต้องรับไหวก่อนคือคนที่จะยกน้ําหนัก20กิโลได้เนี่ยคุณต้องยก10กิโลมาก่อนคุณจะยก10กิโได้คุณต้องยก5กิโลมาก่อนคุณจะยก5กิโลได้คุณต้องยก2กิโลมาก่อนจนคล่องจนชํานานคุณมายก5กิโลจนคล่องจนํานานคุณมายก10กิโลจนคล่องจนจำนานคุณไปยก20กิโล แต่สมมตคนไม่เคยยกเลยคุณยกอยู่แค่สองโลห้าโลอย่างเงี้ยคุณข้ามไปยกยี่สิบโลเลยแขนก็หักเอ็นก<ช>็ฉีกข้อมือก็บวมในขณะเดียวกันเหมือนกันเลยอย่างเวลาจิตของเราเนี่ยคุณไม่เคยฝึกไม่เคยทําไม่เคยบริหารอยู่ๆจะไปรับปัญหาที่หนักเนี่ยมันก็จะระเบิดตูมจิตจะแตก อ, อย่างเช่นว่ากรณีตรงนี้พระเจ้าคเคยเตือนไแล้วไงว่าอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยนะคือว่า ภัยในอนาคต5้าประการที่ยังไม่ถึงยังไม่มีเนะี่ยแต่จะมีขึ้นในอนาคตตื่นไปแล้วเนะีคือความแก่นะหรือโรคภัยไข้เจ็บเอา้าโรคภัยไข้เจ็บเร็งขั้นสีคุณไม่คิดว่าจะเป็นเหรอโอ้โหไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่มันอยู่ในส่วนไหนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราก็ไม่รู้พอถึงเวลาเป็นขึ้นมาทําไงอาตมามีเพื่อนเป็นหมออยู่วิทยาแพทย์พระมงกุฎเพิ่งเจอกันเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านะเร็งกระดูก เขาบอกเขาไม่ชอบหน้าที่นี้มากมากเลยที่จะต้องมาบอกคนไข้ว่าคุณเป็นมะเร็งเป็นเหมือนกับผู้ส่งข่าวสารของยมทูตแล้วพอบอกแล้วเนี่ยโอ้คนไข้ทำไมเขาแบบคือมันไม่ใช่เหมือนกับไม่เหมือนกับบอกว่าคุณตั้งท้องนะหรือคุณคลอดลูกปลอดภัยดีนะมันไม่เหมือนหมอสูตรทินาริเมตบาทหลวงเข้าใจไหมอันนี้เป็นหมอหมอโรคมะเร็งบอกคนไข้ว่าคุณเป็นมะเร็งอ่ะ โอ้โแล้วถ้าคนไข้นั้นไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนช็อกเลยน้ำตาร่วงค อ, อตกจะทํำยังไงหมอมันก็โอ้อไอม่รู้จะพูดยังไงใช่ครับ ร, รู้สึกแย่ไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นนี่คือภายในอนาคตแต่การอย่างที่หนึ่งซึ่งจะเกิด ม, มีขึ้นแต่ยังอาจจะไม่มีในเวลานี้ซึ่งควรแท้ที่เธอผู้ไม่ประมาทเมื่อเห็นอยู่ควรจะรีบทําความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อทําให้บรรลุสิ่งนี้ไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง เพื่อเมื่อเพื่อเมื่อเวลาที่เราประสบภัยนั้นแล้วเนี่ยเราจึงยังเป็นผู้ที่ผาสุดอยู่ได้มาถ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นภัยในอนาคต5้าห้าประการตรงนี้คุณต้องบริหารจิตเลยนังคือความแก่ควาแก่สองคือความเจ็บไข่นะคือมีหลายในยักมากพอที่เด็ดเด็ดก็คือว่าข้าวอาหารข้าวปลาอาหารหายากทุพพิภพเอาแค่ว่าค่าครองชีพจนบัดนี้กับเพียบเทียบเมื่อสิบปีที่แล้ว สมัยจะมาเด็กๆนะข้าวแกงสองอย่างจานละห้าบาทสมัยพ่อจะมานะก๋ยเตี๋ยวชามหนึ่งสลึงหนึ่งครับเออถามว่าเด็กสมัยนี้มันกินข้าวจานหนึ่งละกี่บาทห้าสิบาทมันซื้อได้เป่าข้าวแกงสองอย่างยี่สิบบาทประมาณเนี้ยนะออืครับขึ้นอยู่การทานที่ไหนด้วยฮะอืเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือมันมีแต่จะหนักําเนาไปเรื่อยมากขึ้นมากขึ้นใช่ครับมันจะถึงวันหนึ่งที่ว่าข้าวปลาอาหารหายาก มันจะมีสักวันหนึ่งที่เราพบกับโรภคภัยไข้เจ็บจะมีสักวันหนึ่งที่สงแตกกันจะมีสักวันหนึ่งที่อโจรป่าอะไรย่างนี้ไหมครับจะมีสักวันหนึ่งที่มีโจรป่ากําเริบเอาแค่ไม่ต้องถึงโจเรเหล่าตอนนี้เราเห็นม็อกเนะม็อบจากต่างจงังหวัดลุกคือเข้ามาในกรุงเทพอ่ะอคนแม่งแตกกระเจอหมดใช่ปะซึ่งถึงเวลานั้นเราจะทําจิตของเราอย่างไงเพราะฉะนั้นให้เราบริหารจิตอยู่เรื่อยๆนะไม่ได้ยากเลย เรามาระลึกถึงในฐานที่ตั้งแห่งการควรที่จะระลึกถึงนะผู้ชา ใ, ให้ไว้สี่อย่างใช่ไหม<ช>มี<ช>สติได้อยู่ตลอดเวลาลมหายใจเนี่ยเอาง่า ย, ง, ายง่ายดีเพราะว่ามันมีกับเราอยู่ตลอดนะตอนนอน<ช>มันก็ไม่ทิ้งเราไปนะตอนกินข้าวมันก็ยังอยู่กับเราเดินเข้าประตูไปไหนมันก็ไปกับเราด้วยทันะ้งลมหายใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเราพิจารณาเห็นลมหายใจว่าเออดีละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงมีรถบัสสายปาดหนะ้าวับมาลมหายใจซะ แทนที่จะไปนึกถึงพ่อและแม่ของเขาก็มานึกถึงความหมายใจของเราแทนอย่างงี้นะครับเห็นภาพเลยครับครับแล้วทีนี้ทีนี้เราก็จะพอพอจะเอาตัวรอดไปได้บริหารจิตได้ครับแล้วพอถึงเวลาที่เราแก่เท่าเนี่ยเราจะเป็นจิตเราดีขึ้นมาใช่ไหมเราไม่ใช่เป็นที่พึ่งของตัวเราคนเดียวนะหมอแล้วโปรเรายังเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างเป็นที่พึ่งของคนที่เราพอจะบอกจะสอนได้ พระเจ้าเคยบอกเลยบอกว่าบุคคลใดเป็นบุคคลที่เขาจะเชื่อฟังเธอหรือว่าไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรอาํอมานเพื่อนหรือสายโลหิตเนี่ยที่เขาเป็นคนที่จะเชื่อฟังเราอย่างเงี้ยเราจะแนะนําให้เขาตั้งอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่ด่านใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราแนะนำใครสัรกคนใดคนหนึ่งเนี่ยให้อยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยโอ้ยนั่นจะเป็นการที่มีอุปการะมากแก่บุคคลนั้นมากๆเลยครับถ้าคุณทําไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ จะไม่สามารถมานึกถึงว่าฉันคุณจะต้องเตือนใครว่าคุณจะต้องมานึกถึงสติปันสี่นะอืมมีคาว่าเป็นที่พึ่องอันกเกษมใช่ไหมครับที่นนนั่นคือใช่นั่นคือที่พึ่องอันกเกษมนั่นคือคที่พึ่องอันจะทำความเจริญให้แก่บุคคลนั้นได้ตลอดครับอืมครับสติปัญสี่เราเราเคยพูดกันแบบเต็มรูปแบบมารู้สึกจะนานพอสมควรอืมทีนี้ก็เลยบบอยากจะ ต้องการทราบสเปซฟิกเป็นการเฉพาะว่าตรงไหนที่ที่ยังไม่เข้าใจนะอ่านหนังสือจากจากิต<ล>ไหนข้าใจาอ่านหนังสือแจกสิ่งที่เป็นอันธกถาอาจะไม่เข้าใจได้เราก็ต้องกลับไปดูที่พุทธวจนะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นที่ว่าอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจจริงๆในการอ่านหนังสือจากตรงไหนจึงยากจะคำถามบางรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าสูตรข้อใหญ่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหมากเลยนะอาจารมาทุกวันนี้ก็ยังอ่านอยู่นะ เราบางทีเราก็มาเปิดสติปัฏฐานเรามาอ่านซ้ําอ่านซ้ําอ่านซ้ําแล้วก็อ่านซ้ำนะแล้วก็อ่านซ้ําไปเรื่อยๆตรงนี้เงีมุมนี้เออเราไม่เคยเห็นน้ําเหลืองเลยทีเ่เราเห็นน้ําเหลืองนี่เป็นยังไงอย่างเงี้ยเอาแค่น้ําเหลืองมา<ส>พิจรารณาก็จะมีข้อมูลที่ดีมากขึ้นอย่างเงี้ยนะ<ม>คือซึ่งซึ่งก็ต้องค่อยๆทําไปคิดมันไม่ใช่ว่ายากคือถ้าทําถูกเนี่ยทําได้มันก็ทําไปเรื่อยๆมันก็ไม่ยากแต่ถ้าผิดทําอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากแน่ อืมครับเรียกว่าถ้าไปถูกทางมันก็ค่อยๆ ส, ส, สะสมสะสมสะสมไปค่อยๆไปนะครับก็ก็คิดว่าถ้าคุณนิพารัฐมีประเด็นที่ที่ยังไม่เคลียร์หรือว่าหรือว่ายัา ง, งสงสัยอยู่เพิ่มเติมก็ถามต่อได้นะครับอันนี้จะได้จะได้แบ่งปันผู้อื่นด้วยว่า บางคนมีประเด็นที่เออไม่น่าเชื่อว่าบางทีเราก็เจอแต่ว่าเรานึกไม่ถึงว่ามันเอมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับครอบนะเพราะฉนั้นก็คิดว่าในในวันนี้เราได้ตอบคําถามไปสองคำถามของคุณอะไรครัคุณปณิธิปณิชธิที่เกี่ยวข้องกับการทําจิตอย่างไรเมื่อมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจมากระทบอืมครับนะเราก็ได้เพิ่มประเด็นของเรื่องจิตที่เป็นเด็กๆเราก็ได้พูดถึง การที่ชีวิตเรามันชั่นเราไม่มีเวลากับเรื่องที่ทำให้เรากดเคืองสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมรแล้วก็ได้ตอบคำถามของคุณกรยาิารัและคุณนิพพารัตนิพพานรนที่เกี่ยวกับการบริหารจิตโดยการที่มาระลึกถึงในฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงสอยา่างครับที่ hey, อย่างกรณี เสริมนิดหนึ่งฮะเรื่องที่บอกว่าลู ก, ลกในอคอกนี่ก็คือปฏิบัติตามใช่ไหมครับเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่ไหมครับที่มีพุทธวจานะเรื่องลูกในอคอกหรื อ, อว่าอ๋อคือว่าลูกที่ไม่ออกไปจากที่เที่ยวแห่งบิดาของตนรบทเที่ยวไปในที่เที่ยวแห่งบิดาตนอเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนครับเป็นผู้ที่สอนอวาทกับก็คือให้เที่ยวไปใน สติประฐานสี่ฐานทั้งสี่อย่างนี้ใช่ไหมครับคือเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับอื่ครับก็คือว่าคือเรื่องไม่ดีเนี่ยเรื่องไม่ดีคืออย่างสคุณรู้ว่าอันนี้ไม่ดีแน่นอนอย่างยาเสพติดเนี่ยคุณไม่ต้เห็นต้องลองเลยครับใช่ครับรู้ว่าไม่ดีก็ปฏิเสธมันแต่แรกเลยใช่ไหมครับคือถ้าเราคิดว่าเออเราจะไปลองที่ที่มันแบบไม่ดีไม่ดีบ้างทำลองนั้นไม่ดีดูซิเป็นยังไงโอ้ยนั่นออกจากวิสัยที่เที่ยวแห่งบิดาของตนแล้ว ก็จะเหมือนนกมูลไถ่ที่ถูกเหย่ยวนั้นคว้าไปกินได้บินสูงเกินนี้ต้องแลกด้วยชีวิตเลยเพราะความอยากลองเพราะฉะนั้นคือเราก็ค่อยๆทำไปนะมารดคงับนี่คือตอนที่หกสิบแล้วก็ค่อยมาพบกันใหม่ในตอนที่หกสิบเอ็ดก็วันนี้มีเป็นเท่านี้นะมารดพงศ กราบนัการขอบพระคุณพระอาจารย์ภั ย, ยบูรณอภิปุโ น, โนนะครับ<ห>ก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ